สวัสดีครับครับวันดีค่ะครับการยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการเดซ์สเปซนะฮะวันนี้เราก็เป็นโอกาสพิเศษครับได้มามาคุยเรื่องพิเศษกับวันนี้มีใครอยู่ที่นี่บ้างครับแนะนําตัวหน่อยครับสวัสดีครับผมหมอทารินเพ็ญวันนะครับทอ ตอนนี้ตอนนกำลังศึกษาเป็นแพทย์ประจำบ้านสาขาวิทยาครอบครัวอยู่ที่โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าครับครับหมอคารินก็ชื่อเล่นชื่อหมอแบงค์นะครับวันนี้เราก็เรียกเขาแบบหมอแบงค์แล้วกันนะครับครับอีกคนหนึ่งครับสวัสดีค่ะชื่อพองกมลสุรานะคะหรือว่าเรียกว่านกก็ได้ค่ะตอนนี้ก็ศึกษาปริญญาเอกอยู่ที่สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์นะคะครับแล้วก็ผมครับเอกภพสิทธิ์วัฒนะครับ ก็ชื่อเล่นชื่อมาร์ทหรือสมาร์ตนะครับวันนี้เราก็อยู่กับหมอแบงค์และน้องนกนะครับนะฮะคุยกันเรื่องเรื่องเบาๆฮะเรื่อง Advanced Directive ครับเบาๆครับมันเป็นมันเป็นยังไงคะ Advanced Directive เนี่ยครับ Advanced i r e c t i v e นะฮะหมอแบงค์ครับมันคืออะไรล่ะครับก็ Advanced Directive คือเป็นเหมือนกับ มันเป็นเอกสารหรือคาสั่งที่แสดงถึงความต้องการของของผู้ป่วยนะครับคือหมือนบางคนที่ผู้ป่วยที่เขารู้ตัวว่าเขาแย่ๆหรืออาการไม่ดีครับเขาคนนี mm ้อาจะเขียนเป็นเอกสารเป็นรันเอสสอนไว้หรือไม่การพูดคุยบอกญาติที่เขาไว้ใจไว้ว่าเขาต้องการได้รับการดูแลอย่างไรบ้างหรือจะพูดง่ายๆแค่เป็นคาสั่งเสียครับเออน narrative หรือว่าคําสั่งเสียครับผม ก็คือสั่งว่าในตอนท้ายของชีวิตเนี่ยฮะที่เขาอาจจะอะไรฮะไม่นิสสติหรือว้วไม่รู้เรื่องแล้วเนี่ยฮะก็อยากจะให้คนรอบข้างจัดการกับเขายังไงใช่ครับหรือว่าไม่จัดการกับเขายังไงไม่ถึงว่ารักษาแบบไหนหระค่ะอใช่ครับเพราะว่าอันนี้มันเป็นการคิดเผื่อในอนาคตเพราะว่าอย่างเราก็รู้อยู่วว่าบางที อะไร็เกิดขึ้นได้ในชีวิตคนเราอย่างนี้ใช่ไหมครับก็บางทีคนเราดีๆอยู่พรุ่งนี้เขาอาจจะนอกจะไอะไรไปเลยแล้วพอถึงตอนนั้นเนะ่ะบางทีลูกหลานหรือญาติที่อยู่เขาอาจจะไม่ได้รู้โดยตรงว่าตัวคนไข้คนเนี้ยเขาต้องการได้รับการดูแลอย่างไรบ้างอืเ <ừ ừ. S 1> ช่นว่าบางคนเขาอาจจะไม่ได้อยากต้องการการปํามหัวใจการอะไรเลยนะแต่ว่าก็ถ้าเกิดมันไม่มีตรงนี้ไม่มีสิงที่ว่าคําสั่งเสียเนี่ยญาติก็จะไม่รู้เขาต้องต้องมานั่งคิดต้องนั่ง คิดแทนต้องมาทําอะไรแทนบางทีต้องให้เป็นคุณหมอเป็นคนตัดสใจแทนบางทีก็ไม่ได้รู้ว่าจริงๆแล้วคนไข้เขาต้องการอย่างไรนะครับมผมได้ยินว่าอันดับนันติฟตีหรือว่าคําสั่งเสียเนี่ยครับมันมีชื่อเล่นตั้งเยอะนฮะมันเรียกอะไรได้บ้างครับเผื่อว่าท่านผู้ชมจะรู้จักตักชื่อเนี่ยก็มันจะมีหลายแบบจริงๆนะครับก็ถ้าเกิดอย่างของบ้านเราก็อีกอันหนึ่งก็คือเป็น Living งวิวครับหรือว่าเป็นที่ได้กมชีวิต่าทรัพท์ที่เขาใช้ ครับผ ม, มแล้วก็ในในกฎหมายที่ตอนนี้ประเทศไทยมีแล้วก็ชื่อว่าพราบาสุขภาพในมาตราที่สองใช่ครับก็คืออะไรนะครับ <c> ม <oughs> ันเขียนว่าอะไรบ้างนะครับโหยาวมากนะครับ <c oughs> ก็หลักๆก็คือจะเป็นการระบุว่าบุคคลคนนึ่นเนี่ยสามารถปฏิเสธไม่รับการรักษาที่ไม่เป็นไปเพื่อการรักษาหายขาดคือคือถ้าเกิดสมมติว่าคนหมอแต่คนไข้ก็เห็นแล้วว่ามันเป็นการรักษาที่ ไม่ช่วยรักษาเขาแล้วเป็นการยื้อไปโดยใช่เหตุไม่จําเป็นอะไรเงี้ยเขาสามารถมีสิทธิ์ที่จะปริเสธการรักษาหลักตอนนั้นได้อืครับโดยที่หมคุณหมอที่ทําตามความต้องการของคนไข้าตามตัวมาตรานเนี่ยก็ถือว่าให้ให้ยกเว้นต่อความผิดต่อในขั้วห่วงซึ่งจริงมันไม่ใช่ความผิดนะครับเป็นไปทำตามความต้องการคนไข้บางคนอาจจะกลัวว่ามันผิดกฎหมายอะไลหรือเปล่าซึ่งจริงมันไม่ใช่มนเป็นการทําการทําตามความปรารถนาของเขา ซึ่งในทางานแพทย์ก็จะเป็นเรื่องพื้นฐานและจริยศาสตร์แล้วก็คือเรื่องของคําว่าออโตโนมีหรือว่าความเป็นตัวตนความต้องการของคนไข้เราทํำตามตามตรงนี้ครับก็คือว่าคนไข้เนี่ยเขาต้องการให้หมอจัดการยังไงกับร่างกายหมอก็ควรจะทำตามความปรารถนาถ้าถ้าความปรารถนานั้นไม่ได้ผิดกฎหมายหรือว่าผิดจริยธรรมอันดีอะไรอย่างนี้ใช่ครับอผมเข้าใจว่า Living v i e วนะครับมันไม่ได้เกิดขึ้นเมื่อแบบว่าสองสามร้อยปีมาแล้วเป็นพันปีแล้วะมันเกิดขึ้นก็นไม่นานมานันไม่นานครับมันเกิดมาได้ยังไงครับหมอแบงครับต้นก็เกิดเลยก็ตอนแรกมาจากประเทศสหรัฐอเมริกาครับก็จะเป็นเรื่องของอันนี้นะครับคือเรียกว่าบางทีคนไข้ก็หมดสติไปแล้วไม่รู้สึกตัวนอนโคมา่านอนเป็นเจ้าหญิงนิทราไปแล้วก็ ญาติก็เห็นว่าการอยู่อย่างเงี้ยมันไม่ใช่เป็นคุณภาพชีวิตที่ดีของเขาเขาอยู่ทรมานมาเป็นผักนอนติดเตี่อะไรไปไม่ตอบสนองไม่อะไรแล้วก็มีการร้องขอว่าให้ช่วยถอดถอนอะไรใช้เขาให้เข า, เขาเพ้นจากความทุกทรมานนีครับใ น, นช่วงแรกๆ ก, ก็ทางคุณหมอของอเมริกาเขาก็ไม่ยอมบ อ, อกมันไม่ได้นะมันผิดกฎหมายมันผิดจริยธรรมแล้วเร า, เราต้องดแบบูแลคนไข้พอเกิดประเด็นอย่างเงี้ยมาหลายๆครั้งเขาอะเขาก็เลยมีการลาง ร่างเป็นตัวกฎหมายขึ้นมาครับก็คือจะเรียกว่าเป็น Patient Self Determination Act หรือว่า PSDA ร่างออกมาในอเมริกาในปีสองห้าสามสี่ครับโอ้สองห้าสนะามสี่นะครับก็ประมาณยี่สยี่สิบสี่ปียี่สิบปีเอ๊ย23ีปีครับผมครับครับแล้วก็พอตัวกฎหมายนี้ออกมาเนะี่ยก็สุดท้ายมันก็ออกมากลายเป็นที่เรียกว่า Living Will ก็จะเป็นเอกสาร ที่ถูกต้องตามกฎหมายเลย ว, ว่าคนไข้จะระ บ, บุว่าเมื่อถึงเวลาที่มันเป็นช่วงสุดท้ายของชีวิตจริงๆเขาต้องการการดูแลอย่างไรบ้างเขาต้องการการรักษาอย่างไงบ้างเขาไม่อยากได้อะไรครับอพอตัวนี้ออกมาแล้วเนี่ยก็เขียนตอบรับก็ดีมากครับก็คือคนไข้ชอบเพราะว่ามันเป็นอะไรที่ตัวแทนถึงความต้องการความปรารถนาของเขาคร อ, อบครัวก็ชอบเพราะว่าได้รับรู้ว่าคนไข้ต้องการอะไรบ้างแล้วก็ได้ทําตามอางจริงๆทางแพทย์ก็โอเคนะก็ชอบเพราะว่า มันจะได้ชัดเจนว่าคนไข้ต้องการอย่างไรบ้างจะต้องจัดการอย่างไรใช่ครับค่ะมีผลดีในทุกๆทางครับทั้ง เ, งง ร, ร, ร, ร, ร, ร, เรื่องของทางยศาสตร์ทานตการแพทย์การรักษาเรื่องพวกค่าใช้จ่ายก็ลดลงด้วยนะเพราะว่า<ม>ส่วนมากก็คนเราอยู่บาทั้งชีวิตเนี่ยค่าใช้จ่ายที่อยู่มากสุดก็คือช่วงมั่นปลายชีวิต1นึ่ปีจุดท้ายเลยจะเสียค่าใช้จ่ายเยอะมากซึ่งเกินนรึ้งก็จะเป็นการรักษาในระยะท้ายในห้องไอ u ในอะไรเช่นตรงนี้ค่าใช้จ่ายมันค่อนข้างสูงมาก มันจะมีกรณี้ที่ว่าบางกรณีอย่างที่บอกคือกรณีที่เป็นระยะสั้นท้ายที่รักษาไปแล้วก็ไม่ได้จะหายขาจะดีขึ้นนะครับในตรงตอนที่เขียนนะครับในรื่องร i v i n g will นะครับครับคนเขามักจะเขียนกันว่าอะไรบ้างนะครับถ้าไปายถึงลักษณะแบบฟอร์มอะไรก็ค่อนข้างอิสระนะครับแต่ลหลักๆคือจะเป็นการระบุไว้ว่าตอนที่เขียนเนี่ยข้าพเจ้า ชื่ออะไรเป็นใครเขียนเมื่อวันที่เท่าไรตอนที่เขียนรู้สึกตัวดีสติสมาชัญญยะสมบูรณ์แล้วก็จะระบุความต้องการไว้ว่าเออถ้าเกิดสมมุติข้าพเจ้าหมดสติหรือว่าอยู่ในภาวะสุดท้ายของโรคขออะไรก็จะระบุว่าเขาต้องการหรือไม่ต้องการอะไรบ้างต้องการหรือไม่ต้องการอะไรบ้างสามารถที่จะระบุกันก็คือจะเป็นพวกเรื่องของการรักษาในช่วงท้ายครับก็<ม>ที่ทั่วไปก็เช่นเรื่องการการความหัวใจอันนี้เนาะ ว่าถ้าเกิดสมมติจะหยุดเต้นไปต้องต้องการได้รับการดูแลในการอั้มหัวใจไหมต้องการเรื่องการใส่ท่อช่วยหายใจหรือไม่ครับแล้วก็อื่นๆก็จะมียิบย่อยไปในบางคนเช่นพวกการให้ยาคาซิเอะทางทางเสเลล์ดําการให้อาหารใส่ทางท่อให้อาหารพวกนี้ครับแต่ละหลักก็จะเป็นการระบุได้ว่าในช่วงท้ายเนี่ยเขาต้องการการดูแลอย่างไรบ้างเขาไม่ต้องการอะไรบ้างครับ นสงสัยนิด น, นึงค่ะว่าการสร้างลิฟวิ่งขึ้นมาฉบับหนึ่งเนี่ยก่อนที่มันจะเกิดขึ้นมานี่มันเกิดมาได้ยังไงหมายถึงว่าต้องมีต้องต้องต้องยึดจุดประสงค์ของคนไข้เป็นหลกักหรือว่ามีหมอร่วมพิจารณาหรือว่าญาติอะไรอย่างนี้ด้วยไหมคะก็ท้าเริ่มต้นเลยคอจะจะเป็นจากตัวฝั่งคนไข้เลยครับที่ว่าเขาต้องการว่าเขาต้องการว่าไม่ไม่ต้องการการลดหัวใจนะไม่ต้องการการใส่ท่อนะ แต่ช่วงแรกๆของประวัติศาสตร์ของเราเลยก็คืออาจจะไม่ไม่ได้มีแพทย์ที่รับรู้ถึงตรงนี้ก็คือถึงเวลาเขาก็ทําไปเลยโดยที่ไม่ได้ฟังเสียงคนไข้ไม่ได้อะไรแล้วก็พอไปอย่างนี้มากขึ้นคนไข้เขาก็เห็นยากเขาก็เห็นหมอเองก็เห็นได้ว่ามันเป็นมันไม่ใช่เป็นคุณภาพชีวิตที่ดีมันไม่ใช่เป็นสิ่งที่คนไข้จะได้รับนะครับเลยแล้วมีคเนเห็นมากขึ้นแล้วก็เลยสุดท้ายก็มีคนเป็นร่างเป็นกฎหมายแล้วก็ออกมาเป็นตัวกฎหมายที่ปฏิบัติได้จริงอ ตอนนี้คําถามอีกกี่หมายถึงสงสัยตรงกระบวนการการร่างอะไรอย่างเงี้ยคือหมายถึงว่าคนไข้เป็นคนเขียนเองว่าต้องการอย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็พิจารณาร่วมกับแพทย์เจ้าของไข้อะไรอย่างนี้ด้วยวะค่ะคือยังคิดไม่ออกว่าเวลาอยากได้ตกของตัวเองชักสบัดหนึ่งอย่างเงี้ยมันต้องทำยังไงอย่างเงี้ยก็จริงๆแล้วร่างเองกับบ้านเลยนะครับมีกระดาษแผ่นเองแล้วเขียนได้เลยครับจริงๆนะถ้าตามหลักนะอออันนั้นก็ใช้เป็นเป็นมีผลมีผลจริงเป็นผหมายครับอ๋อครับ ก็คือเอากระดาษเป็นแผนแล้วก็เขียนเลยแหละระบุวันที่ข้าพเจ้านางสาวนกปัจจุบันสติสัมปชัญญะครบดีแล้วก็มีระบุความต้องการไว้ว่าถ้าหากข้าพเจ้าหมดสติไปหรือในช่วงสุดท้ายของชีวิตข้าพเจ้าต้องการการดูแลดังนี้ข้าพเจ้าไม่ต้องการพวกนี้แล้วก็ลงชื่อของเราแล้วก็ลงชื่อว่ามีพยานรับทราบนะอะไรเงี้ยครับอ๋อแล้วถ้าเกิดช่วงส้ายจริงญาติแบบขัดขวางเงี้ยเอาพูดกันจริงๆเนาะครับเออแล้วเราจะตัดสินใจไหมคะ ถ้าถามผมนะผมคิดว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่ก็ค่อนข้างสําคัญกับตัวเรากับครอบครัวด้วยเ<ช>นาะข อ, ของบ้านเราก็เริ่มงครอบครบมีผลเยอะเลยคิดว่าควรจะคุยโดยที่ทุกคนรับรู้ด้วยเหมือนกันนะว่าเราต้องการอะไรบ้างเพราะบางทีต่อให้บางทีเราทําไว้แล้วลทั้งนล้นบางทีพ่อแม่เราก็ไม่ได้รู้คนอื่นก็ไม่รู้ถึงเวลาเขาอาจจะไม่ได้รับทราบว่าเรามีตัวนี้อยู่ก็ได้ใช่ไหมเพราะฉะนั้นครอบครัวก็เป็นปัจจัยสําคัญนะเวลาที่ล่างขึ้นมาชิ้นหนึ่งก็แบบว่า ทำให้คนรอบข้างเราเข้าใจตรงกันเลยว่าจุดประสงค์ ส, สุดท้ายของเราตร<ช>งกรรันแบบนี้คุยกันให้รู้เรื่องใช่ครับแล้วก็คนหมอที่ที่ดูแลเราด้วยจ<อ>มช่วยเหเราป่วยแล้วก็ติดผาตการเขาอยู่ด้วยหมอรู้ตรงนี้ถึงความต้องการของเราด้วยก็<ๆ>กจะยิ่งดีครับทีนี้ผมว่ามีบางคนที่จแบบว่าไม่รู้จักนะฮะว่าปัําหัวใจใส่ท่ออะไรคืออะไรแต่ว่าแบบอย่างมาผมเนี้ยฮะเขาอาจจะแบบไม่รู้จัก แต่ว่าแต่่วาเขาอยากจะตัดสินใจอย่างนี้ว่าอ๋อให้ลูกชายคนโตเป็นคนตัดสินใ จ, นใจแทนจแทนอย่างเงี้ยแบบนี้จะเขียนยังไงดีครัอ๋ออันนั้นก็ทําได้เหมือนกันครับอันนั้นคือมันจะเป็น advisory อ, อีกอันหนึ่งคือจะเป็นที่เรียกว่า proxy ค, คือเป็นการโอนอำนาจการตัดสินใจจากตัวเราไปยังอีกคนหนึ่งที่เราไว้ใจครับซึ่งในไทยก็คือจะเป็นกรณีอย่างนี้ค่อนข้างมากโดยที่คนไข้ ยินยอมหรือไม่ยินยอมก็ตามแต่เพราะบางคนก็อย่า ง, อ ย, างอย่างอย่างอา玛ของมาร์คก็ อ, อาจจะแบบสมมุติว่าให้ลูกชายคนโตเป็นคนคิดตัดสินใจแทนไปเลยเพราะเขาไว้ใจว่าการตัดสินใจของลูกคนโตจะเป็นในที่ดีสุดสำหรับเขาใช่ไหมไม่ใคยเป็นการที่เขารับรู้ยินยอมแต่ถ้าในกรณีของจริงบ้านเราก็บางทีก็อาจจะเป็นอกงอีกคนหนึ่งอยู่ดีก็น็อกไปเลยทีนี้ก็ก็ไม่รู้ละยากไม่รู้ว่าต้องการอะไรยังไทงทีนี้ก็ตกเป็นหน้าที่ของลูกคนโตแหละที่เขาต้องตัดสินใจโดยตามสิทธิของพี่คนโตก็คือต้องคิดแต่องรยี้ไป ครับก็เธวเธอเป็นเลด c านเซอีกแบบหนึ่งเหมือนกันครับครับเอแล้วอย่างนี้นะฮะเราควรจะทำตอนไหนดีฮะดิวิ้งวิวเนี่ยฮะเอาเอาตอนใกล้ๆตายดีมมันจะได้แบบพอจะรู้อากาศนะแต่มันก็เปลี่ยนได้ใช่ไหมคะเปลี่้นได้ครับเปลี่นได้ตลอดเวลาครับอย่างวันนี้เรารู้สึกว่าอย่างนี้แล้วก็พอถึงเวลาจริงเวลาเราใกล้ๆเรารู้สึกว่าเ้ยเรายัง อยากอยู่นะอะไรยังอยากต้องการตรงนี้นะก็สามารถเปลี่ยนแปลงได้ครับมันเปลี่ยนแปลง้ตลอดเวลาผมว่าจุดประสงค์ของมันก็คือเป็นการล่างออกมาเพื่อให้เราประเข็มชัดเจ น, นให้ให้เราเห็นให้เราคิดว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นไดบ้างแล้วในตอนนั้นเราต้องการอะไรบ้างมากกว่ามันเหมือนการเตรียมตัวเตรียมใจระดับหนึ่งด้วยแบบคะ่ะในการล่างออกมาระดั บ, บหนึ่งอ่ะมันเตรียมทั้งตัวเองแล้วก็คนลออข้างด้วยเป็นการเตรียมครับเตรียมตัวเองเตรียมยากเตรียมทุกคนเพราะถ้าเราเรายังไม่เตรียมตัวเองมันก็ เขียนไม่ได้ว่าเราต้องการ<ม>อะไรบ้าง<ม>ใช่ไหมครับคุณหมอมีเทคนิคยังไงฮะที่ทําให้แบบว่าอคนคนหนึ่งเนี่ยฮะจากที่ไม่ได้คิดถึงความต่ายของตัวเองแต่ว่าวันหนึ่งก็ลุกขึ้นมาเขียนพินัยกรรมชีวิตของตัวเองเนะะี่ยอืผมว่ามันอยู่ที่อยู่ที่บริบทและประสบการณ์ของเขาครับถ้าเกิดเขาเป็นคนที่ อาจจะเคยใกล้ชิดหรือใกล้เคียงกับความเจ็บป่วยความตายมาก่อนเช่ว่าอาจจะเคยมีประสบการณ์เห็นคนใกล้ชิดป่วยหนักเสียชีวิตหรือเป็นคนดูแลคุณแม่ที่ป่วยหนักอยู่เนี้ยเขาจะใกล้ชิดตร น, นี้เขาก็จะเห็นภาพได้ง่ายๆขึ้นทีนี้เขาก็จะเกาจะอาจจะบมงทีจะไมานั่งคิดเองได้ว่าออขนาดแม่เราเป็นอย่างนี้แล้วถ้าเกิดถึงเวลาของเราเนี่ยเราต้องการอะไรยังไงบ้างครับ มันก็มีครั้งหนึ่งตอนตอนงานอบรมมาฮะก็มีงานเสวนาอะไรอย่างเงี้ยเกี่ยวกับเรื่องการการรับมือกับความเจ็บป่วยความตายเขาก็เขาก็แนะนําให้เขียนนะพินัยกรรมชีวิตของเราก็ผมก็ก็เขียนเลยฮะตอนนั้นอยู่แบบยังเรียนอยู่ด้วยซ้ํานะแต่เขียนแล้วรู้สึกดีนะแบบว่าเออได้ได้ไดทบทวนว่าว่ า, วาตอนที่เราต้องการถ้ตายจริงๆเราไม่อยากได้อะไรบ้างแล้วก็ ทำให้แบบว่าช uh, <mate> ีวิตในปัจจุบันมันโอเคขึ้นด้วยจะเดี๋ยวเดี๋ยวผมถามนิดนึงเพราะนั้นมารใช้เวลาเตรียมตัวใช้เวลาเขียนนานไหมครับไม่นานเลยไม่นานใช่ไหมครัอืมแครู้สึกว่าจะแบบสิบห้านาทีถึงครึ่งชั่วโมงนะอืมฮะก็ไม่ได้เขียนยากอะไรนะอืมก็ของผมเองก็ก็มีทําของตัวเองเหมือนกันก็ก็ไม่นานเพราะว่าทําเรื่องนี้ด้วยแล้วก็มันก็แล้วก็ เห็นคนไข้เห็นอะไรมาก็คือรับรู้ว่ามันมีจะเกิดอะไรได้บ้างกอตัวเองเลยค่าง่ายว่ามาต้องการอะไรบ้างไม่ต้องการอะไรบ้างหมอแล้วจะไม่ยากนะแต่สมมุติของน้อเนี่ยไม่เคยเขียนแต่สมมุติจะเขียนขึ้นมาสิ่นึงก็ยังนึกภาพไม่ออกว่าเครื่องมือการแพทย์ในการยื้อชีวิตหรือช่วยชีวิตหรือบรรเทาความเจ็บปวดมันมีอะไรบ้างไงก็เลยแบบว่าเออเราจะต้องเขียนละเอียดแค่ไหนหรือว่าเราไม่รู้เครื่องมือทางการแพทย์อะไรอย่างเงา อ๋อมันจะมีเป็นพวกตัวใหญ่เอกาสารครับจากทาง อ, อ, นนอ ม, มีข้อมูลมข้อูลให้เขาจะเป็นเอกาสารสำหรับเพื่อภาคประชาชนระบุไว้ว่าล i ฟวิ่งวิวเนี่ยมันคืออะไรแล้วก็จะระบุถึงพวกการดูแลทางการแพทย์ในช่วง ท, ท้ายท้ายทียท่เจอได้บ่อยเช่นเรื่องการลดหัวใจการใส่ท่อเนี้ยเขาจะอธิบายเป็นภาษาง่ายๆว่า ม, มันเกิอะไรบ้างก็คนเราอาจจะลองอานตอน น, นดูก่อนแล้วก็ถ้าเกิดสงสัยก็อาจจะถามอกอับหมอเพิ่มเติมได้เราจะไปหาคู่นี้ได้จากไหนคะ มีดาวน์โหลดที่ที่เว็บไซต์เลยครับเโปรโมทเลยเดี๋ยวผมแปะลิงก์ไว้ให้ครับใต้บัตแคชนี้เลยแปะลิงก์ไว้หกดเข้าไปดาวน์โหลดได้เลยกดเข้าไปดาวน์โหลดแล้วก็ลอเขียนเลยไปมาทีนี้ตอนนี้เนี่ยฮะไอ้เข้าใจว่ากฎหมายมาตราสิบสองเนี่ยฮะอ่าแอดวานซ์เต c t ็ v e เนี่ยมันเกิดขึ้นมาแล้ว ตั้งแต่ปีห <50 S 1> <ะ>้าศูนย์ห้าศูนย์ครับตอนนี้ก็ห้าเจ็ดห้าเ็ดแล้วตอนนี้สถานการณ์เป็นไงบ้างฮะคนเขียนกันใหญ่โตเลยไหมฮะ <laughs> ถ้าในภาพระดับประเทศเลยยังไม่มีคนเก็บข้อมูลที่แน่นอนครับเพราะว่า <laughs> แต่ถ้าเกิดอย่างที่ประสบการณ์ส่วนตัวที่ทํามาคือผมทํางานวิจัยเรื่องนี้พอดีก็ที่เก็บไปก็ไม่มีคนรู้จักเลยครับ <laughs> <laughs> ไม่มีคนรู้จักเลย <laughs> ส่วนเลยฮะในกลุ่ม oh, oh, oh, oh. กลุ่มผู้เข้าร่วมมาถามว่าคุณรู้จักพนักรรมชีวิตไหมคนก็จะมองหน้าว่า อะไรเกี่ยวกับเกีับเงินใช่ไหมอ๋ออย่างนี้เออเขาไปเชื่อมเ่ยงกับไปพินัยกรรมมรดกอะไรไหีคำพินักรรมอยู่ครับเขเลยจะคิดไปถึงทางเรื่องเงินเงิเรื่องมรดกอะไรพวกนี้มากกว่าแต่ทุกคนไม่รู้จักเลยเก็เลยแบบลองเอาของทีเขาอ่านดูว่าอ่านในมาเสียอย่างนี้อ่านแล้วแบบคุณเป็นยังไงบ้างรู้สึกยังไงคิดยังไงกับมันอะไรพวกนี้ครับอ๋อแล้วเขาอ่านแล้วเป็นไงฮะเขาชอบไหมชอบครับที่กลุ่มที่ตกใจเหมือนกันก็คือคนที่เขา่ลงคือทุกคน แอทิจูดอะไรคือเป็นเชิงบวกเลยว่ามันดีนะมันทําให้คือของผมที่กลุ่มที่ทํำจะมีกลุ่มที่เป็นผู้ป่วยมะเร็งกับผู้ดูแลกลุ่มผู้ป่วยมะเร็งก็เอ้ยมันดีมากมันใช่เลยคือเขารู้สึกว่าได้ทบทวนเกี่ยับตัวโรคความเจ็บปวดของเขาว่ามันถึงวันหนึ่งมันอาจจะเกิดไอ้นี้เมื่อไหร่ก็ได้แล้วเขาก็เหมือนมือนกันได้จะได้เห็นภาพในอนาคตว่ามันได้เกิดอะไรได้แล้วเขาจะต้องการอะไรบ้างในจุดนั้นของผู้ดูแลก็เหมือนกันก็คือเขาก็เออก็ มันก็ทำให้เขาได้คิดเกี่ยวกับตัวเองว่าเขาดูแลแม่เขาอยู่เขาดูแลภรรยาอยู่แล้วก็วันหนึ่งแม่อาจจะเกจอกับเขาก็ได้อก็ทําให้เขามาคิดเรื่องนี้เกี่ยวกับตัวเองด้วยครับแล้วฝ่ายหมอฝ่ายโรงพยาบาล น, นะครับอรู้จักเรื่องนี้มากน้อยแค่ไหนก็มีรู้จักบ้างเหมือนกันครับแต่วม่ถ้ามากน้อยขนาดนี้ไม่แน่ใจเหมือนกัน บางคนอาจจะเข้าใจผิดเป็นเป็นเรื่องอื <whisper> ่นเหมือนกันบางคนเขาอาจจะคิดว่าเป็นเรื่องของการรุนยาฆาตวกนี้คลีเคยเจอนะครับคลีนจริงๆมันไม่ใช่การุนยาฆ่าจเป็นเป็นการที่ที่คนหมอไปอ่ะฉีดยาเล้งใี้คนไข้เสียชีวิตไปเลยซึ่งอันนี้มันไม่ใช่ครับอันนี้ลิมิทวิวที่เหมือนกันทําตามความรองการคนไข้ในขอบเขตทางการแพทย์และถูกทางกฎหมายและจริยธรรมทั้งหมดจะเป็นคนละส่วนกันครับครับอ่าถ้าอย่างนี้ถ้าคนไข้เขาต้องการจิต ยาหรือว่ากินยาให้ตายเนี่ยอันนี้พินัยกรรมชีวิตหรือว่า advance directive นี้รองรับเลยไหมคจะไม่ลงหลักครับเพราะว่าเรื่อหนึ่งมันผิดกฎหมายเนาะแล้วก็ผิดทางแง่จริยทําการแพทย์ทด้วยที่ว่าดูโนฮาร์มคือการทำิ่งที่จะให้ตายเนี่ยมันจะเป็นการดูฮาร์มก็คือทางการแพทย์เราไม่ไมทําอยู่แล้วจะรจริยธรรมไปด้วยครับผม <c oughs> อืมก็เป็นเอกสารที่ทําให้ก็ผู้ป่วยได้มั่นใจว่านะครับ แพทย์ก็จะได้ทำตามความต้องการของของคนไข้ใช่ครับแล้วก็ถูกกฎหมายถูกจริยธรรมครับนะบแล้วก็น่าจะเป็นถ้าถ้าทุกฝ่ายพอใจกับพินัยกรรมชีวิตอันนี้เนี่ยหรือว่าลีวิ่งวีวันนี้ก็น่าจะแฮปปี้กันทุกคนทำไมหมอแบงถึงมาสนใจประเด็นนี้นะครับเรื่อง a n c e d นเทิงผิดใช่ไหมครับ<า>นะครับก็มี ที่คน ล, ล, ลักสองสองอย่างครับก็คืออย่างแรกคือก็ทํางานเรียนหมออเรียนมาก็เห็นผู้ป่วยมนาะเยอะผู้ป่วยที่เป็นโรคทั่วไปเป็นหวัดเป็นอะไรความดันทั่วไปก็ก็มีแล้วคนไข้ผู้ป่วยระยะท้า ย, า ย, ายก็เจอเยอะเหมือนกันแล้วก็ในกลุ่มระยะ ท, ท้ายนะครับคือมันจะมีส่วนหนึ่งที่เขาไม่ได้รับการดูแลไม่ได้รับตอบสนองควาต้องการอย่างที่เขาอยากได้อย่างเช่นบางคนเขาก็เขาแค่ต้องการหายปวดต้องการแค่ อยู่กับลูกกับอะไแค่เนี้ยเขาไม่ได้ต้องการการใส่ท่อเขาไม่ได้ต้องการการปั๊มหัวใจเลยแต่ว่าบางทีก็โดนทําสิ่งที่เขาไม่ได้ต้องการไปโดนจัดเยียดไปโดยที่เขาไม่ได้มีสิทธิ์มีเสียงอะไรเลยครับแล้วผมรู้สึกว่ามันไม่ใช่เป็นอะไรที่คนคนหนึ่งจะจะควรพึงได้รับในช่ชงท้ายของชีวิตในข้อท่อันแรกแล้วก็อันอเจอเป็นเรื่องของประสบการณ์ส่วนตัวด้วยครับก็ก่อนหน้านี้มีคุณป้าคุณป้าของผมก็ ก็คนนี้ก็คือเขาแข็งแรงเข้าโรงพยาบาลเข้าอะไรก็บ่อยมีหลายโรคคเป็นเนื้องอกเป็นโรคหัวใจเป็นอะไรองนี้ครับแล้วก็มีรอบหนึ่งก็คุณป้าก็ก็รอบนี้ป่วยหนักก็ไปนอนโกกรงพยาบาลแผนหนึ่งทั้งเขาก็มีทําตัวลิฟวิ่งวิวแล้วแหละว่าเขาไม่ต้องการการทำหัวใจเขาไม่ต้องการการใส่ท่อช่วยใจญาติญาอะไรก็รับทราบโอเคก็ไปนอนไปแล้วทีนี้มีคืนหนึ่งก็คุณป้าก็สุดหนักครับแล้วก็ก็จะหยุดเต้นแล้ว เนื่้วมัเกิดตอนชวงกลางคืนก็แคทยเวรก็มาก็ทําตามปฏิกิริยาเนาะตามรีเฟกก็ปั๊มหัวใจไปเลยก็ปั๊มขึ้นครับก็คนป้าก็โดนเข๊มหัวใจปําขึ้นโดนใส่ท่อแล้วก็นอนที่เตียงยาวไปเลยก็เข้ามาตอนเช้าก็คนหมอเขาบอกเออเขาเขาทำไปเพื่อช่วยชีวิตเพื่ออะไรไปก่อนโดยที่ผมก็ไม่รู้ว่าเขาเห็นตัวเอกสารหรือเปล่าว่าว่าทางครอบครัวกับป้าเขาต้องการอะไรบ้างแล้วป้าก็นอนอยู่อย่างนั้นก็ หลายเดือนเหมือนกันสุดท้ายก็เสียโดยที่แบบเป็ น, เ ป, นเป็นแพก้กดทับเป็นติดเชื้อไปแล้วก็เสียจากตัวโรคแทรซอไม่ได้เสียจากตัวโรคแต่และกครับก็<ม>เป็นประสบการณ์ส่วนตัวที่รู้สึกไม่ค่อยดีเหมือนกันอันนั้นครับ<ม>เลยมาเป็นทําให้สนใจทางนี้มากขึ้นก็คิดว่า advance directive หรือว่า living will เนะี้ยจะมาช่วยแก้ปัญหาเหล่านี้ได้แต่ก็ต้องมีข้อมูลให้ประชาชนหรือว่าทุกเวททุกไปคือคือเข้าใจมากขึ้นอ่ะเนาะ ใช่ครับอันนี้เป็นเรื่องที่ผมมองว่าสําคัญมากเรื่องก็คืออย่างแรกคือเขาต้องรู้จักก่อนว่ามันมันมีอยู่มันคืออะไรแล้วก็เรื่องของตัวข้อมูลในรายละเอียดเพราะว่าเอกสารนี่มันเป็นเรื่องมีหลายประเด็นในตัวนั้นมีเรื่องประเด็นที่ค่อนข้างซับซ้อนทั่อนข้างละเอียดอ่อนอเลยคิดว่าต้องมีคนที่คอยช่วยอธิบายให้ให้คนท้องไปอ่านอ่านแล้วเขาเก็ตเขาเข้าใจมากขึ้นด้วยครับครับซึ่งตอนนี้ก็มีตัวอย่างอยู่ หลายเวอร์ชั่นเหมือนกันนะฮะใช่แต่ว่าใครชอบเวอร์ชั่นไหนก็เขียนเวอร์ชั่นนั้นครับมีทั้งที่แบบติ๊กอย่างเดียวแล้วก็<า>เซ็นชื่อเลยหรือว่าเขียนจากกระดาษเปล่าก็ได้อแต่เคยเคยเห็นในเว็บไซต์ต่างประเทศอย่างที่มาร์ทบอกค่ะก็จะเป็นเช็คลิสธรรมดาดูมันง่ายมากเลยนะแค่แบบต้องการนู่นนี่นั่นแล้วก็ลงชื่อก็เสร็จก็คือคือมันอาจจะเป็นฉบับเริ่มต้นก็ได้ที่ทําให้แบบนี่เรามีหรือไม่มีฉบับแรกนั้นนะ งงท่อีกคองงนเซ็ปต์อัน น, น, นึงก็คือที่ผมเคยไปไปดูงานไปแบบต่ตางประเทศอยู่2เดือนนั้นไปอยู่ที่ที่นิวซีแลนด์ก็คืออีกอัน น, นึงที่เขาทาที่นั่นที่เห็นก็คือเขาทำให้มันเป็นเรื่องเป็นเรื่องง่ายเรื่องท่วไป<ม>ก็คือเวลาคนไข้ที่จะไปนอนเข้าคอสปิดที่นู่นอะ่ะเป็นคอร์คคอสที่สถานดูแลผู้ป่วยนะครับก็เข้าไปก็ถามข้อมูลท่อไปคุณเป็นใครบ้านอยู่ไหนอายุเท่าไหร่แล้วอีกพอร์ิเอีกหนึงเนี่ย ก็จะเป็นเอกสารลรีวิวเลยว่าเออถ้าเกคุณสมมุติคุณอาการหนักๆ น, นะคุณควรจะหยุดเต้นคุณต้องการการปัม๊มหัวใจไหมคือเป็นเช็คลิสง่ายๆทั่วไปเลยเหมือนทำบัตรประชาชนอะช่ะเขาก็บอก yes no yes no ว่าท่านต้องการอันนี้ฉันต้องการนี้มันไม่ใช่เป็นเรื่องที่ว่าคุยไม่ได้เขาไม่ถึงคือเขาทําเป็นให้มันเป็นเรื่องเรื่องธรมรมดาเรื่องทั่วไปครับคนก็เลยจะตื่นตัวแล้วก็เข้าใจแล้วก็มองเห็นว่ามันเป็นก็เป็นเรื่องธรรมชาติไงคนเราก็คือมีเจ็บแล้วก็มีตายได้อยู่แล้ว คล้ายๆแบบสอบถามเล็กๆบางๆใช่ไหมครับซึ่งเนี่ยที่บ้านผมจะมีพวกสมุดใบสำคัญนะฮะทะเบียนบ้านบัตรประชาชนโฉนดที่ดินนะฮะก็น่าจะมีช่องหนึ่งที่เอาไว้เขียนใส่ลิฟวิ่งวิของสมาชิกทุกคนในครอบครัวดีครับเพราะมันก็เป็นเากสารสำคัญอีกอันหนึ่งเนาะที่น่าใช้อ๋อเดี๋ยวนี้มันก็มีแอปด้วยเหมือนกันนะฮะแอปกรอกลิฟวิ่วิในมือถือ มีด้วยแล้ครับมีด้วยครับด้วยฮะในต่างประเทศนะแต่ว่าเวอร์ชันประเทศไทยยังไม่มีมไม่แน่ว่าเราอาจจะได้เห็นก็ได้นะฮะแล้วก็พวกเอกสารสำคัญข้อมูลเพิ่มเติมอะไรที่เกี่ยวข้องกับ living will หรือว่า advance directive นะฮะเราก็จะใส่ไว้ในดิงด้านล่างนะครั บ, รบถ้ามีอะไรสงสัยหรือว่าอยากจะสอบถามอะไรเพิ่มเติมนะครับก็เข้ามาได้ที่ เฟซบุ๊กของเรานะฮะก <g år> ็อยู่พีซฟูเดย e นะครับ w w w บ a c e b o o k c o m บุ a กดอทของตลาดพีซฟเดอมาแปะลิงก์ไว้ที่ด้านล่างเหมือนกันนะฮะค่ะแล้วก็วันนี้ก็ต้องขอบคุณหมอแบง์แล้วก็น้องนกมากเลยครับที่มาร่วมในรายการเดย์ส a c e นะฮะวันนี้เราก็ได้คุยเรื่องเบาๆนะฮะยามดึก <g år> อยากแบบว่าอิ่ม อ, อกอิ่มใจนะฮนะครับโอเคต้องขอลาไปก่อนครับรายการด้ e Space ติดตามชมตอนใหม่ได้ตอนหน้าเมื่อไหร่ก็ไม่รู้นะครับสวัสดีครับส ว, ส, สวัสดีค่ะ